ใครไม่เคยมาบ้างมีไหมสองสามสี่คนะนะ่ากันเคยฝึกกันแบบไหนไหมาฝ่องยุบนะอันนี้เห๋อไปเรียนมาจากไหนนามปาไม่ได้หาครูบาอาจารย์เด๋อเรียนหนังสือของใครล่ะอ่านจากหนังสือเล่มไหนอ๋อจัานพุท ธ, ธานพุท ธ, ธานเอามาจาัด ก็สูตรแล้วโยอมล่ะลไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกฝึกง่ายเบื้องต้นนะฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนอะไรก็ได้ดูท้องผ่องยุบ ก, ก็ได้ยุบเท้ายั้งเท้าก็ได้หายใจก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้เบื้องต้นมันต้องมีจุดตั้งต้นกันแล้วก็ค่อยๆ ศึกษาปรับปรุงจิตใจค่อยๆพัฒนาไปมันจะเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นส่วนมากที่เราลงมือปฏิบัติมันจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเกือบทั้งหมดนะนักปฏิบัติชอบบังคับตัวเอง <c oughs> ในขณะที่วิปัสสนาแท้ๆเนี่ย เป็นเรื่องที่ให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะแล้วก็เป็นปัจจุบันแค่นี้เอง น, นเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราต้องไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดความเป็นจริงเกือบทั้งหมดชอบบังคับนะฝไม่ว่าฝึกกรรมฐานอะไรเหมือนๆกันหมดนะ่ะหลวงพ่อแต่ก่อนก็บังคับฝึกพ่อแต่ก่อนก็ฝึกอานาปนาสติมียี่สิบสองปีทำแต่สมถะ ขึ้นมีปััสนาไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์สอนเรียนสมถะมาจากท่านพ่อหลีพระอโศการามแต่แล้วท่านอยู่สองปีท่านก็มารณภาพไม่ค่อยได้ไปเรียนเท่าไหร่มาฝึกแล้วขึ้นมีปั ส, สนาไม่ได้นี่พอไปเจอหลวงปู่ดูลนนยมาหัดดูใจตัวเองการดูจิตก็เป็นทางทำวิปัสสนาอย่างหนึ่งในหลายๆทางนะไม่ใช่ทางเดียว ไม่มีเรากรรมฐานอะไรที่ดีวิเศษที่สุดทางเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนหรอกว่ากรรมฐ า, านอะไรดีกว่าอันไหนนะยอดเยี่ยมที่สุดอะไรยไม่พูดหรอกเคยพูดไม่พิเศษมีอยู่สองอันมีอนาปนาสติอันหนึ่งกับกายคตาสติผว่า ด, ดีส่วนให ญ, ญ่เราทำแล้วมันก็ไม่ถึงขั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานจริงๆทางใครทางมัน ใครถนัดอะไรเอาวันนั้นแหละใช้ได้เหมือนๆกันนะถ้าหลักถูกนะถ้าหลักถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ถ้าหลักผิดนะกรรมฐานอะไรก็ผิดผิดเหมือนกันนะหลวงพ่อภาวนาคล่องแคล่วแล้วจิตมันวัยจิตมันวัยด้วยเที่ยวไปตามสำนักต่างๆนะดูครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละสานักศึกษาแนวทางปฏิบัติ สำนักหลักๆเนี่ยไปศึกษามาเยอะเลยเรองไปดูไปเห็นก็บงทีก็ไปบอกอาจารย์นะอาจารย์ช่วยเดินจงกรมให้ดูหน่อยสิบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะดูต้องบรรยายก่อน <laughs> บรรยายอยู่นั่นเลยจะเป็นชั่วโมงก็ไม่ยอมเดินนะกล่อมอยังไงก็ไม่ยอมเดินง่ายๆบอกหน้าเดินให้ดูสิไม่ไดต้องรอแก็บเหลือเวลาก็บเหลือแล้วก็เดินอ๋อทําอย่างนี้เอง เก๊ก้าไปเห็นองคหนึ่งลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือโอ้หลวงพ่อเทียนดีจังพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนตื่นลูกศิษย์ขยับตามหลวงพ่อเทียนเพ่งใหญ่ถ้าไม่เพ่งเรื่องมือก็คิดเรื่องมือถ้าไม่คิดเรื่องมือก็ไปคิดเรื่องอื่นเลยเข้าไปดูสำนักโน้นสำนักนี้นะเพราะว่ามันถ้ามันผิดมันก็ผิดอย่างเดียวกันนะคือไปเพ่งไหม เวลาไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องเวลาเดินจงกรมไปเพ่งเท้าเวลารู้อิริยาบถสี่ก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยเพ่งทั้งตัวเวลารู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจขยับมือไปเพ่งมือเหมือนกันหมดตอนหลังๆตอนนี้การดูจิตชักว้างกว้างหลวงพ่อก็เริ่มสังเกตเหมือนกันคนไปเพ่งจิตก็มีนะเยอะด้วยมีสำนักที่เพ่งจิตก็มีเพ่งความว่าง ก็บอกเป็นทาเรหันกันทั้งสำนักเลยหันไปหันมาตีกันเละเลยนะในสำนักเนี่ย <c oughs> ถ้าเราเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้เข้าใจนะการปฏิบัติจะไม่ยากหรอกเรารู้ได้อะไรก็ได้ขอให้เป็นอารมณ์รูปนามคือเรื่องกายเรื่องใจก็ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าจะทำสมถนะนั้นไม่เลือกอารมณ์เลยอารมณ์รูปนามก็ใช้ทำสมถะได้อย่านึกว่ารูปนามแล้วต้องเป็นวิปัสสนานะ อย่างเช่นเราดูท้องพองยุบแล้วจิตเราเพ่งไว้ที่ท้องได้สมถะเวลาเราเดินจงกรมจิตเราเพ่งที่เท้านะได้สมถะเดินไปเดินไปตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวอะไรเงี้ยเกิดอาการบวบบๆบบ้บาบาอะไรเนี่ยนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยมิปัสนาจะไม่มีอาการอย่างนั้นมิปัสนาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจไม่ใช่อาการทางร่างกายภาวนานะ ดูแล้วเหมือนๆกันนะลำนักไหนไหนนะชอบไปเพ่งเอาเหมือนๆกันนี่ถ้าเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ให้ชัดๆซะก่อนนะเรียนธรรมะซะหน่อยก่อนลงมือปฏิบัติการปฏิบัติเราจะได้ไม่ต้องรูปรูปคลำคลำเสียเวลาหลวงพ่อเสียเวลานะพวกเราน้อยคนนะที่จะเสียเวลาเท่าหลว ง, ง, งพ่อหลวงพ่อโมเด้ทําสมถะทั้ง22่ปีตั้งแต่7ขวบนะจนอายุ29 ได้แต่สมสถะนะมีของอย่างโน้นเล่นอย่างนี้เล่นก็ไม่ใช่ของจริงอะไรสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกเนมาหัดรู้จิตหัดมีสติขึ้นมาหลวงปูดูลไปหาท่านทีแรกย3ิบสามกุมภาสองหท่านบอกให้หัดดูจิตตัวเองมาดูจิตดูจิตแล้วสติเกิด พสติเกิดคราวนี้ไม่มีสายไหนแล้วนะไม่มีสายกายสายจิตแล้วสติเกิดแล้วกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่มีสายละสายกายสายจิตสายเวทนาอะไรนี้แค่จุดตั้งต้นบางคนดูจิตอย่างหลวงพ่อไม่ชอบดูกายรู้สึกจุดชืดรู้สึกตื้นไปไม่พอมันไม่ลึกลับพอตื้นๆดูแล้วจืดจืดมากๆเลยนะมันไปดูกายดูกายกายระเบิดไปเลย ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเสร็จแล้วใจก็ไปว่างๆอยู่งั้นมันไม่ถูกจัดจริตแต่ว่าพอมหาหัดดูจิตดูใจจิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยเปลี่ยนทั้งวันด้วยเปลี่ยนตลอดเวลาดูไปด้ยต่อไปพอจิตมันขยับปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยพอสติเกิดต่อไปสติมันชำนาญขึ้นนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเองนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะ น, นันหลวงพ่อไม่ค่อยเดินไปชนอะไรนะ เดินไม่ค่อยชนอะไรทั้งนั้นนะเดินไม่ค่อยตกลุมตกบอ่ออะไรนะมันรู้สึกรู้สึกแต่ถ้าแก่กว่า น, นี้ไม่เกี่ยวนะอย่างหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านอายุมาก90สกว่าเวลาลุกขึ้นกรองจีวรนะั่นเคยล้มลร่างกายมันทรงตัวไม่ได้นันไม่ใช่ว่าขาดสติเวลาเรื่องกันนี่พอหัดสติเกิดแล้วเนี่ยมันก็รู้กายรู้ใจ นี่บางคนจะหัดจากลมหายใจก็ได้นะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ใจมันหนีแวบไปรู้ทันมันหายใจไปใจก็หนีแวบไปกรู้ทันมีไปคิดส่วนใหญ่มีใจลอยไปให้หัดรู้ไปเรื่อยนะหายใจไปแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกไปต่อไปสติมันไวนะั่นเกิดสติขึ้นเวลาเราเผลอๆ เ, เนี่ยพอเราขยับตัวปั๊บเนี่ยสติเกิดเองหรือเวลาเผลอๆ อ, อยู่ใจลอยไปแวบเนี่ยสติเกิดเอง เหมือนกันหมดนะไม่ว่าฝึกสายไหนถ้าฝึกถูกต้องแล้วสุดท้ายเหมือนกันนะคือร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกเหมือนกันหมดเนยะไม่มีสายละสายน้นสายนี้มันแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นพอมีสติแล้วมันก็รู้ทุกอย่างที่ปรากฏเป็นปัจจุบันทั้งกายทั้งใจก็วางไปเป็นลําดับลําดับนะาวางถึงที่สุดปล่อยวางจิตสุดท้ายจะต้องปล่อยวางจิตจิตเป็นขันธ์ที่ปล่อยวางยากที่สุด เรายึดเนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราแล้วเราไม่เคยเห็นจิตมันเกิดดับคิดว่าจิตเป็นอมตะนะจิตเที่ยงจิตเป็นของถาวรพอเราตายไปแล้วจิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปเกิดใหม่เนี่ยรู้สึกอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยมันมิจฉาทิจจินะถ้าเราเอ ม, มีสติมาเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับไอตัวที่ไปเกิดใหม่มันก็เกิดขึ้นใหม่นั่นแหละมันไม่ใช่ตัวเก่าไปเกิดเห็นเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆตัวเราที่แท้จริงไม่มี ค่อยๆเรียนไปบางคนดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบอย่าไปเพ่งใส่ท้องเกือบร้อยละร้อยก็ไปเพ่งใส่ท้องหลวงพ่อยังไม่เคยเจอเลยนะที่ว่าดูแล้วก็หลุดออกมายังไม่เคยพบเคยเห็นเลยเคยมีอยู่คนหนึ่งตอนนั้นอยู่เมืองกาลตื่นมาอย่างดีพิเศษเลยนะตื่นมาอย่างตื่นโพลงมาเลยถามไปฝึกมาจากไหนฝึกมาแนวไหนบอกแนวพองยุบ โอ้หลวงพ่อดีใจมากเลยนะเจอละเจอละ ว, ลวฝึกแนวพองยุบมาแล้วฝึกมายังไงอ่ะเขาก็เล่านะบอกว่าแต่จิตเขาเพิ่งเปลี่ยนนะเขามาอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนนะจิตมันเปลี่ยนแต่เขารู้แล้วว่าจิตเขาไม่เหมือนเดิม mm hmm. มีบางคนนะฝึกมาหลายสิบปีมี ม, มาจากทางเหนือ เปนทันรุ่นลูกศิษย์เจ้าคุณโชดกเลยบอกว่าต้งทะเลาะกับอาจารย์มาอาจารย์เป็นเจ้าวาด <c oughs> คุณป้าคนเนี้ยอยู่วันหนึ่งก็เกิดสงสัยการปฏิบัติของตัวเองเห็นมาเพราะว่าดูจนแกเข้าสมาบัติได้นะก็ได้ทีหนึ่งหลายๆวันอย่านันน้ไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยเสร็จ <c oughs> แล้วแกเพราะว่ากิเลสแกไม่ลดลงแกก็ไปถามอาจารย์ <c oughs> ท่านอาจารย์ ดิฉันสงสัยว่าจะถูกหลอกนะไม่เห็นว่ากิเลสลดเลยอาจารย์โมโหนะอาจารย์โมโหอาจารย์ไล่ไปไปไหนก็ไปออกอยากวัดไปคุณป้านี่แกก็จิตไหวได้สมถะมานานหลายสิบ ป, ปีฝึกมาสี่สิบกว่าปีบอกว่าแกตสังเกตเจ้า ว, วาดโอ้เจ้า ว, วาดโกรธเฮ้ยพระอรหันต์โกรธ ไม่เอาดีกว่าอุตสาห์นีออกมานะจากทางเหนือผมก็จำไม่ได้ทางเชียงใหม่หรือลำพูนอะไรเงี้ยลงมาที่กำแพงเพชรมมีแม่ชีคนหนึ่งไม่รู้ตายยังนะแต่ตอนนั้นยังอยู่มีชื่อเสียงมากเลยเข้าสมาบัตเก่งคนนี้ยเข้าได้นา น, านๆาไปบ อ, บอกคุณยายดิฉันสงสัยว่าดิฉันจะถูกหลอกมาสี่สิบปีแล้ว คุณยายบอกเจ้าถูกหลอกสี่สิปีข้าถูกหลอกมาหกสิบปีแล้วคือ <c ười> หลอกยังไงไม่ใช่หลอกอะไรไม่มีใครเขาหลอกหรอกคือไปลงทําสมถะนั่นเองไปเพ่งไปเพ่งใส่ท้องไว้นิ่งๆให้ใจนิ่งพอใจมันโกรธขึ้นมาก็บริกรรมพอบริกรรมขึ้นมาพหนอปั๊บเนี่ยความโกรธมันขาดเลย ถ้าตรงที่หนอบรริกกรรมขึ้นมาเนี่ยมันได้สมาธิขึ้นมามเกิดคณิกะสมาธิขึ้นวับหนึ่งมันก็ตัดอารมณ์ขาดลงไปงั้นตรงนี้ถ้าเข้าใจนะมันไม่ได้ขาดเพราะสตินะมันขาดเพราะสมาธิมันไม่ได้ขาดเพรนะาะ ส, สติไปเห็นข้าแต่มขาดเพราะสมาธิมีคนหนึ่งเขียนตำรามาให้หลวงพ่ออ่านเลยนะหลว่อก็นี่ไงรับมาเองนะนะว่า บริกรรมนอขึ้นมาให้เกิดคานิกะสมาธิเพตัดอารมณ์ให้ขาดถ้าตัดด้วยสมาธิก็ไม่ใช่ตัดด้วยปัญญาควรละนกันตัดด้วยสมาธิจิตก็สงบสงบไปงั้นอย่างเรากโกรธขึ้นมาเรากโกรธนอ้อเราเราไม่ไปคิดถึงคนที่ทำให้เรากโกรธเราบริกรรมใช่ไหมความโกรธไม่มีเหตุความโกรธก็ดับไปแต่เราก็คิดว่าโอมันดับเพราะเราบริกรรมดับด้วยสมาธิ ตัดปับลงไปวิธีกรรมเก่งๆก็ตัดหมดเลยตัดมากเข้ามาเข้าใจว่าง่างออหมดกิเลสละมันหมดด้วยสมาธินี่เราต้องค่อยๆเรียนนะทำยังไงสติตัวแท้ๆจะเกิดขึ้นมาสติจริงๆไม่ได้กําหนดให้เกิดสติเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดไม่ได้ก็สติเป็นอนัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิด งั้นเราต้องทำเหตุของสติสติถึงจะเกิดอะไรเป็นเหตุของสติพวกเราไม่ได้เรียนเลยนะเราไม่รู้เลยว่าอะไรคือเหตุของสติเรามั่วๆเอาเช่นเราพยายามเดินจงกรมบางคนเดินน่ะกระแทกเท้าใหญ่น่ะกระแทกตุบตุบตุกระแทกทํานะทททไมกระแทกเพื่อไม่ให้ขาดสติถ้าจิตเราวไวๆเรารู้เลยถนะ้ขาดสติตั้งแต่อยากจะเดินแล้วเรอยากเดินโลภะก็เกิดแล้วขาดสติไปเรียบร้อยแล้วหรืออยากจะกําหนดก็ขาดสติเรียบร้อยแล้ว บางคนรู้ลมหายใจนะพยายามบังคับใจให้จ่อไว้ที่ลมจะไม่ให้ขาดสติจริงๆสติไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่มีใครบังคับให้สติเกิดได้เคยมีคนมาถามหลวงพ่อนะว่าทำยังไงจะมีสติต่อเนื่องหลวงพ่อกขาตอบซื่อเลยนะว่าอย่าพูดเรื่องสติต่อเนื่องเลยสติหนึ่งขณะจิตก็ทำให้เกิดไม่ได้ถ้าทำได้สติจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตา สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติไม่ใช่นึกเอาเองนะในคำภี์ของเราสอนไม่ชัดเจนเลยจิระสัญญาหรือการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุให้เกิดสติเช่นั้นถ้าหากเราอยากให้สติเกิดนะเราต้องหัดรู้สภาวะธรรมให้มากๆมันจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองยกตัวอย่างนะสมมุติเบื้องต้นเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทําทําแล้วสบายใจ เช่นดูท้องพองยุบก็ได้พุดโธก็ได้หายใจก็ได้นะทําไปขยับมือขยับเท้าอะไรก็ได้ดูท้องพองบุยุบพองยุบไปนะใจไหลแวบไปรู้ทันว่าใจหนีไปนี่หัดรู้สภาวะหัดรู้สภาวะพรวะวจิตมันหนีไปหรือหายใจเข้าหายใจออกหายใจสักแป๊บเดียวจิตหนีไปคิดแล้วให้รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเนี่หัดรู้สภาวะไปดูท้องพองยุบแล้วจิตฟุ้งซ่านอยู่ไม่ยอมสงบเลยรู้ว่าฟุ้งซ่าน หายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูท้องของยุบแล้วจิตไหลไปเพ่งที่ท้องให้รู้ทันว่าจิตไหลไปเพ่งที่ท้องหายใจแล้วจิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจไม่ใช้หลักเดียวกันนะกรรมฐานอะไรก็ได้เงินเบื้องต้นทำํำไปเถอะไม่เสียหายอะไรหรอกน่งที่ทําอยู่จะเป็นสมถะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นสมถะนะถ้าเราไปคิดว่าสมถะเป็นวิปัสสนานี้แหละเสียหายมาก ชาตินี้ไปไหนไม่รอดเลยแล้วพอ่อปูนความเห็นผิดติดตัวไปชาติหน้าด้วยนั้นเบื้องต้นทํากรรมฐานอันหนึ่งแล้วก็หักสังเกตสภาวะไปสภาวะที่สังเกตง่ายคือสภาวะทางใจหลายคนพูดว่าสภาวะทางใจดูยากสภาวะทางกายดูง่ายแท้จริงสภาวะทางกายหรือรูปเนี่นะดูยากที่สุดเลยรูปนี่ดูยากนะกว่าเราจะเห็นรูปตัวจริงคือความเป็นธาตุของมัน ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจะดูทะลุร่างกายอวัยวะเข้าไปเห็นธาตุนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเรารู้สึกไม่ลมหายใจมีธาตุสีเราไม่รู้สึกหรอกเรารู้สึกลมหายใจก็คือธาตุลมเนี่ยเราไม่รู้ว่าลมหายใจมีธาตุสีครบเลยเราแยกไม่ออกถ้ากาลังของสมาธิไม่พอเนี่ยจะดูรูปไม่ออก เนื่กายานุปัสสนาเนี่ยมันเหมาะกับคนเล่นฌานไม่ใช่เหมาะกับคนไม่ได้ทาําฌานเบืออยู่ๆก็ไปเดินจงกรมไปนั่งดูลมดูท้องอะไรเงั้ยต้องมีฌานก่อนถึงจะดูรูปออกไม่งั้นจะเห็นแต่อวัยวะเห็นแต่ร่างกายซึ่งเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ตัวรูปตัวจริงรูปกับร่างกายคนละอันกันนะเนื่รูปคือสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราคิดนึกขึ้นเองอย่างเวลาตาเรามองเห็นเนี่ย ถมว่าตาเรามองเห็นอะไรตาเรามองเห็นสีนะสีสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี hmm. ้ตาเรามองเห็นแต่สีสีเป็นรูปตัวจริงแต่ว่าเวลาเรามองปั๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นรูปเราไม่เห็นสีหรอกเราเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์มีผู้หญิงมีผู้ชายสมมติบัญญัติเนี่ยปิดบังปรามัดไปหมดปิดบังของจริงปิดบังรูปตัวจริงไปหมดเลยเราได้ยินเสียงถามว่าหูเราได้ยินเสีย ง, ยยงอะไร หูเราได้ยินเสียงสูงสู ง, สงต่ำต่ำใช่ไหมแต่เราบอกได้ยินเสียงเบิร์ตลองเพลงเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเราได้ยินเสียงหมาเหา่าเราได้ยินเสียงเ้าด่ากันรู้ด้วยนะว่าเขาด่ากันแสดงว่าเปลี่ยนแปลงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหูเราได้ยินเสียงสูงสูงต่ำต่ำคลื่นเสียงต่างหงคลื่นเสียงนั่นแหละตัวรูปข้อความหรือเนื้อหาที่ได้ยินนั้นเป็นสมมุติบัญญัติ สิ่งที่เราแปลความหมายออกมางั้นเราคุ้นเคยกับสมมุติบัญญัติมันปิดปังรูปตัวจริงไปจนหมดสิ้นเราดูเราขยับเนี่ยถามว่าขยับอะไรถามขยับมือเราไม่เห็นว่ารูปมันไหวเราไม่ได้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่มือนะไม่ใช่ตัวเรานะนี่เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เราไม่รู้สึกรูปจริงๆดูยากมากเลยแต่นํามาทําดูง่ายนะ หลายคนบอกนามธทําดูยากนามธทําเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่มีสมาธิมากเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกหนุ่มนี่กล้าคุยกับหลวงพ่อไหมกล้าไหมเขินไหมไม่เขินนะไม่เอา เ, เขินแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมพยักหน้าเห็นไหมหลวงพ่อถามว่าเขินแล้วรู้สึกไหมพยักหน้าไม่ได้พูดนะทําไมเขาพยักหน้าได้เพราะเขารู้ว่าเขาเขินอยู่ นำมาทำทจริงๆสุดจะง่ายเลยนะเด็กๆก็รู้จักเคยโกรธไหม <S <S พยักหน้าอีกทีเคยโกรธเห็นไหมรู้จักความโกรธนะรู้สึกไหมแต่ละวันเนี่ยรักแม่ไม่เท่ากันเคยรู้สึกไหมพยักหน้าอีกแล้วเห็นไหมอา้าวใครบอกว่าดูจิตยากนะมาเรียนจากเด็กคนนี้นะนะจริงๆแล้วเราคิดเอาเองว่ายากจริงๆแล้วก็คือสภาวะทำอะไรกาลังปรากฏอยู่รู้มันลงไปตรงนั้นแหละ ท้าเมื่อไหร่สติเราระลึกรู้สภาวะที่กําลังปรากฏได้เราจะเห็นเลยสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นทันทีนะสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวเราเลยความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภความรู้สึกกลัวความรู้สึกเกลียดความรู้สึกรักอะไรเงี้ยเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่มีความไม่มีความเป็นตัวเป็นตนอะไรมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปงั้นถ้าเรามีสติเราเห็นนามธรรมทั้งหลายเกิดแล้ดับเกิดแล้ดับไปเรื่อยเราจะเห็นเลย ไ ม, มมไม่มีตัวเราในความโกรธไม่มีตัวเราในความโลภไม่มีตัวเราในความหลงไม่มีตัวเราที่ไปรู้มันร่างกายนี้ก็เป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่รูปที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนา ม, มาทำอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธาทำอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ เพราเรามีสติเราเห็นสภาวะลงปัจจุบันปั๊บเราจะเห็นในในปัจจุบันนั้นไม่มีตัวเราตัวเราจะไปอยู่ในอดีตในอนาคตไปอยู่ในความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเรารู้จิตรู้ใจเราไปเรื่อยๆนะจะค่อยๆละความเห็นผิดว่ามีตัวเราไปละไปทีละเล็กทีละน้อยนะถึงจุดหนึ่ลังสติสมาธิปัญญาแก่กละพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิและตัดสินความรู้นะ เกิดอริยามรรคขึ้นถัดจากนั้นจะไม่มีตัวเราอีกแล้วตอนที่เรามีสติขึ้นมาเป็นคราวๆตัวเราก็หายไปเป็นคราวๆพอเผลอขาดสติตัวเรากลับมาอีกนี่คนทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติแต่ตอนที่เกิดอริยามรรคแล้วเนี่ยตอนที่เผลออยู่ก็ไม่มีตัวเราพระโสดาบันเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงความมีตัวเราอยู่เพราะว่าใจมันฉลาดใจมันหมดความเห็นผิด เราปฏิบัติทำนะมารู้กายมารู้ใจเพื่อทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็มีตัวเราเมื่อนั้นถ้ามีสติก็ไม่มีตัวเราอย่างพอรู้สึกตัวความโกรธเกิดขึ้นเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้เชิญนะความโกรธเราไม่ได้เชื่อเชิญมันมาเองพอเรารู้มันเฉยๆนะมันก็ไปของมันเองไม่ต้องไปไล่มันนะไม่ต้องไปบริกรรมเพื่อให้หายโกรธนะบริกรรมให้หายโกรธในเรื่องของสมถะ ความโกรธผุดขึ้นมามีสติรู้ไปเห็นเลยมันเหมือนคนแปลกหน้าเดินมาเที่ยวหน้าบ้านเราเราก็ปล่อยให้เขาเดินไปเห็นคนบ้าเดินมาหน้าบ้านเรานะเดินมาแล้วก็เดินไปนะเห็นรถขของสวยงามผ่านหน้าบ้านเรานะเราก็เห็นมันมาแล้วก็ไปอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เลวมันผ่านมาให้เรารู้แล้วมันก็ไปให้ดูอย่างนี้นะถึงจะรู้เลยมันไม่ใช่เราสักอย่างเดียว กรรมฐานจริงๆไม่ได้ยากอะไรเรียนให้ได้หลักสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้พอจิตจําสภาวะได้สติเกิดขึ้นมาแล้วตัวเราจะหายไปรู้ลงมาในกายกายไม่ใช่เรารู้ลงไปที่จิตที่ใจนะอเห็นนามธรรมา ท, ทั้งหลายไม่ใช่เราก่อนเห็นเจตสิกไม่ใช่เราก่อนความสุขความทุกข์กุศลอกุศลพวกนี้ไม่ใช่เราแต่ตัวที่ไปรู้เนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ ต้องดูขนาด น, นะจนเราเห็นตัวรู้นั้นเกิดดับได้ด้วยตัวรู้ก็เกิดดับได้ด้วยอย่างี้เห็นไม่มีเราที่แท้จริงอะ่ะหลายคนภาวนามีมารายงานแทบทุกวันน่ะฟังหลวงพ่อบ้างฟังซีดีบ้างเคยเจอหลวงพ่อบ้างไม่เคยบ้างนะที่ไม่เคยก็ฟังซีดีเอาจิตตื่นขึ้นมาแล้วมาบอกหลวงพ่อื่อพอมีสติขึ้นมานะั้นตัวเราหายไปบางคนตกใจบางคนกลัว มาคนรู้สึกเบื่อเนี่ยพอเรามีสติเห็นจริงๆนะตัวเราไม่มีนี่มันเกิดนิพพิธาบางคนเกิดนิพพิธามันเบื่อบางคนเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษนะเรื่องอาทินวายานมีปัญญาเห็นแต่ทุกข์แต่โทษเลยในขันนี้ตัวเราที่แท้จริงไม่ได้บางคนรู้สึกเวงว่างน่ากลัวเรียกว่าพยาตูปัฏฐานญยานเห็นภัยนะเห็นความน่ากลัวเนี่ยพอ เราเห็นว่าตัวเราหายไปนะบางคนเบื่อบางคนกลัวบางคนรู้สึกไร้ที่พึ่งเพราะอะไรเพราะเคยชินที่จะมีตัวตนจิตมันเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่ามีตัวตนมาตลอดนะพอมาฟังธรรมะจนสติเกิดรู้กายรู้ใจลงไปไอ้ตัวตนไม่มีตัวตนหายไปไหนตกใจกลัวเพลงว่างเบื่อความรู้สึกนาน า, นานชนิดเกิดขึ้น นี่ก็ต้องเรียนต่อไปอีกนะให้รู้ลงไปความเบือ่อความตกใจความกลัวความเบื้อว้งวางอะไรก็ตามเถอะก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกอย่างหนึ่งพอจิตไปรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะมันสลัดออกไปจากจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วครับนี่จะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะจิตใจสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่พอเห็นมากเข้านะพอเห็นไปเห็นไปมันก็ยินดียินร้ายขึ้นมา เช่นมันเห็นความสุขมันก็ยินดีมันเห็นความทุกข์ก็ยินร้ายเห็นกุศลก็ยินดีเห็นอกุศลก็ยินร้ายเช่นความโกรธเกิดอยากให้หายพอความยินดียินร้ายเกิดจิตก็ดิ้นพอจิตดิ้นรนจิตทํางานจิตจะมีความทุกข์ขึ้นมามีความทุกข์มันเกิดตรงนี้จิตมันจะทุกข์ขึ้นมาพอมีสติรู้ทันลงไปนะที่ความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับไปจิตจะเป็นกลางขึ้นมาพอจิตเป็นกลางเราก็รู้ สภาวธรรมทั้งหลายต่อไปด้วยจิตที่เป็นกลางเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายขึ้นมาอีกจนถึงจุดหนึ่งจิตจะฉลาดรู้ว่าถ้าหลงยินดียินร้ายหลงเข้าไปคิดนึกปรุงแต่งกับมันนะความทุกข์จะเกิดขึ้นมาจิตมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นนล้ <Evet. S 1> มันจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่เห็นหน่ายินดีอะไรความทุกข์เกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่น่ายินร้ายอะไรกุศลเกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่น่ายินดีอกุศลเกิดขึ้นก็ของชั่วคราวไม่น่ายินร้าย นีจิตจะเป็นกลางด้วยมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตที่มีเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นทุกสิ่งเกิดแล้วดับนี่เรียกว่าจิตมันมีสังขารู้เบิกขายาณ น, นี่คือจุดสูงสุดที่นักปฏิบัติจะทําได้นะนั้นเราภาวนาไปนานจกนกระทั่งวันหนึ่งจิตมีปัญญาแล้วจิตเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตเห็นความสุขและความทุกข์เสมอกันเห็นกุศลและอกุศลเสมอกันเห็นทุกสิ่งนั้นเสมอภาคกันหมดเลย แต่เดิมเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เสมอภาคความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสมอภาคกันอยู่แล้วแต่ใจเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคกันอย่างความสุขและความทุกขโดยตัวของมันแท้จริงนั้นเสมอภาคกันคือเกิดแล้วดับทั้งสิน้นเอาไว้ไม่ได้ใจเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคกันเรารักความสุขเราเกลียดความทุกเรารักกุศลเกลีกยดอ ก, กุศลเนี่ยพอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนจิตมันเป็นกลางด้วยปัญญาไปเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย จิตมันจะไม่ดิ้นรนความสุขผ่านมาจิตก็รู้อย่างเป็นกลางเสมอภาคกับความทุกข์นั่นเองเนี่ยจิตที่เป็นกลางเพราะมีปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีสังขารู้เบิกขายานถึงจุดนี้จิตจะมีทางแยกสองทางทางที่1คือเดินไปสู่พุทธภูมิทางที่สองเดินไปสู่สาวกภูมิ ถ้าคนไหนมุ่งสู่สาวกภูมิเนี่ยจิตจะรวมเข้าอปปนาสมาธินะแล้วจะเกิดอริยมรรคขึ้นมีกระบวนการที่เกิดอริยมรรคเจ็ขณะจิตนะต้องมีกระบวนการนะไม่ใช่อยู่ภาวนาภาวนาไปหล่นวูบไปตื่นขึ้นมาแล้วบอกบรรลุแล้วนั้นไม่ใช่กระบวนการละนั่นโมเมียวเองนะส่วนอีกทางหนึ่งแยกไปสู่พุทธภูมิคือจิตเนี่ยจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าห้าวหารถึงขนาดว่า S 1> <S 1> <S <an> <S เห็นสวรรค์กับนรกเสมอกันเนี่ยนะ <S an> พวกนี้แหละมีกําลังพอที่จะเดินไปสู่พุทธภูมิจริงๆนะถ้ายังเหยาะแยะยาะแยะขี้กลาดตาขาวอยู่เนี่ยนะไปพุทธภูมิไม่ไหวนั้นในคมภีร์จะสอนบอกว่าถ้าท่านผู้ใดที่ปรารถนาพุทธภูมินะพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยแล้วภาวนามาจนได้สังขารู้เบกขาหยานจิตเป็นกลางกับสังขารและเห็นสวรรค์กับนรกเสมอกันเลยนะห้าวหาญไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลย รู้ว่าทุกอย่างเป็นภาพดวงตาทั้งหมดเลยถ้าไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้รับพยากรจะได้รับพยากรว่าโน่นอย่างตามอีกสีอสงไขยแสนมหากรัป <ś led> จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อนี้ชื่อนี้หรืออย่างช้าอีก16อสงไขยแสนมหากรัปอย่างพระศรีอานเราเนี่ยได้รับพยากรมา16อสงไขยแสนมหากรัปส่วนพระโคดมเราเนี่ยได้รับพยากรเมื่อสี่อสงไขยนึง ถ้าโคดมเร็วกว่าพระสีอานตั้งสีเท่านะสีเท่าเพราะว่าท่านเจริญปัญญามากถ้าเดินด้วยปัญญาไปเร็วนะเดินด้วยสมาธิด้วยความเพียรด้วยศรัทธาอะไรพวกนี้ไปช้าหน่อยเนี่ยพอได้รับพยากรณ์แล้วก็คือแน่วแน่ลนะไม่ถอยหลังพวกนี้แต่ถ้าใจนะรักสุขเกลียดทุกข์อยู่เนี่ยแม้ทาเป็นว่าใจกรุณาต่อสรรพสัตว์นะ สมมุติว่าเดินเดินไปเนี่ย เ, เห็นตัวอะไรตกอยู่ในกองไฟอะไรเงี้ยสมมุติว่ากระต่ายตัวหนึ่งรัดลงไปในหลุมที่มีไฟอยู่เนี่ยถ้าจิตพระโพธิสัตว์แท้ๆนะจะไปหยิบมันขึ้นมาจะไม่กลัวจะยอมยอ่ะยอมถ้าประเภทเอ้ยเอย อ, ยอย่างเงี้ยนะรู้เลยนะไม่ใช่โพธิสัตว์จริงหรอกนะโพธิสัตว์อย่างโพธิสัตว์ไม่ได้รับพยากรณ์พยากรณ์ตัวเองว่าเป็นโพธิสัตว์ ใจหยงเหยแย่แใจไม่ถึงแล้วใจไม่ถึงเนี่ยไม่กล้าที่จะทนทุกข์ทรมานเพื่อความสุขของคนอื่นหรอกมันจะดิ้นรนหาแต่ความสุขของตัวเองใจไม่ถึงยุคของเรานี้นะที่หลวงพ่อเคยได้ยิ น, นมีเคสหนึ่งนานแล้วนะยี่สิปีแล้วสมัยสร้างสะพานพระปิ่นกล้าใหม่ๆตรงเมีนมีแยกขึ้นมามันมีรถนักเรียนรถรถตู้ของเด็กอนุบาลไปชนกับรถอะไรก็ไม่รู้แล้วไฟไหม้ จราจรคนหนึ่งมันอยู่ตรงนั้นพอดีจราจร น, นี่นะ่ฝ่าไฟนี่เขาไปดึงเอาเด็กออกมาทีละคนทีละคนนะช่วยเด็กออกมาได้เยอะเลยแล้วก็แกเห็นว่ามันเงียบเียบไปแล้วก็คิดว่าไม่มีเด็กแล้วพอไฟดับไปนะเจอเด็กอยู่อีกคนสองคนนะอยู่ลึกๆโอ้เสียใจมากเลยนะเสียใจมากเลยว่าช่วยชีวิตเด็กไม่ได้ถ้ารู้ว่ายังมีอยู่ก็จะฝ่าไฟเข้าไปแต่ตัวแกถูกไฟลวกสเละเลยเนะี่ยถ้าใจขนาดนี้นะ ก็ค่อยมาอวดได้นะว่าไปพุทธภูมิอะ่นะถ้าประเภทหนามตําก็โอ้ไม่ไหวละนะอย่าว่าแต่ฝ่าไฟนรกไปช่วยใครเลยนะฝ่าพวงหนามไปช่วยใครสักคนยังไม่กล้าเลยอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้กินดอกใจไม่ได้เป็นกลางจริงที่หลวงพ่อเคยรู้มามีอีกองคหนึ่งคือหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ขันทยาขโมอยู่วัดป่าสารวัน องนี้ได้รับชื่อได้รับฉายากั น, นว่าเป็นแม่ทัพธรรมของหลวงปู่มั่นเป็นแม่ทัพในกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นองนี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเพื่อนกับหลวงปู่ดูลพัฒนามาด้วยกันนะหลวงปู่ดูลนัเป็นสาวกภูมิปลายเรียบร้อยนะจันสิ่งหนี่ภาวนาไม่ได้ท่านก็ประกาศเลยว่ถ้าลูกศิษย์อย่าว่าแต่อาจารย์เลยนะถ้าลูกศิษย์คนไหนแก้ให้ท่านได้นะให้ท่านละพุทธภูมิได้นะท่านจะถือเป็นอาจารย์ท่าน ใจท่านกล้าหาญเสแล้วท่านก็แก้ไม่ตกนะเจอท่านอยู่มาจนแก่วันหนึ่งท่านก็บอกพวกพระบอกจิตของท่านตอนนี้นมันมีกำลังเต็มเปี่ยมเลยถ้าท่านจะไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยนะท่านจะใช้เวลาไม่เกินเจวันเนี่ยจะขาดละแต่ท่านไม่เอาท่านจะไปพุทธภูมิละใจท่านห้าวหาญท่านมีความรู้สึกว่าเวลาหนึ่งกับเนี่ยเหมือนเวลาหนึ่งวันเท่านั้นเอง ใจที่มีกำลังมากนะที่วันนี้ทำไมไปเทศเรื่องพุทธภูมิมีใครจะเป็นโพธิสัตว์มังเ <c oughs> มื่อวานก็ไปเทศเรื่องอิทธิบาทสี่มีโยมกลุ่มหนึ่งจะมารัตนาให้หลวงพ่อเจริญอิทธิบาทนะ่ะพกมนั่งคิดคิดกันจอกแจ๊กเลยนะ <c oughs> จะมานิมนต์ทำมาหลวงพ่อเลยแกว่งตามญาติโยมที่มาฝังแต่ถ้าใครไม่เอาพุทธภูมินะ จิตใจเป็นกลางแล้วก็ดูของเราต่อไปพอจิตใจเป็นกลางต่อสภาวะทั้งปวงเพราะมีปัญญาเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกชั่วคราวดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวใจจะไม่ดิ้นรนใจจะไม่ทํางานเมื่อจิตใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งไม่ทํางานไม่มีความหิวโหยคือมันมีวิราคะไม่หิวโหยแล้ไม่มีความอยากมันไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนเนี่ยมันมีวิสังขารไม่ทํางานวิราคะวิสังขารนี่แหละชื่อชื่อของนิพพาน่ะ งั้เมื่อใดจิตละหมดความอยากจิตละหมดความดิ้นรนเมื่อนั้นนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอนิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยนะไม่ใช่สิ่งลึกลับซับซ้อนอะไรอ <c oughs> นิพพานไม่ใช่ว่าวูบลงไปแล้วนิพพานนะอนิพพานที่บูบบา้าบๆนิพพานเก น, นะนิพพานจริงจะต้องเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลยกลางวันกลางคืนพอมานาสิการถึงนิพพานก็อยู่ต่อหน้าอยู่นี่เอง แค่มานาศสิการถึงไม่ใช่ส่งจิตเข้าไปดูนะไม่ใช่ทรงจิตถ้าไม่มานศสิการถึงนิพพานก็มานสิการถึงรูปนามนี่ถ้าไม่มานศสิการถึงรูปนามก็มานสิการถึงสมมติบัญญัติถามว่าพระอรหันรู้สมมติบัญญัติไหมรู้นะพระอรหันรู้รูปนามไม่รู้นะพระอรหันรู้นิพพานไม่รู้นะแล้วคนที่ไม่เคยภาวนาเลยก็รู้แต่สมมติบัญญัติไม่รู้รูปนามไม่รู้นิพพาน นักปฏิบัติพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยรู้สมมุติบัญญัติรู้รูปนามไม่รู้นิพพานถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยรู้สมมุติบัญญัติรู้รูปนามรู้นิพพานได้เหมือนกันภูมิความรู้ไม่เท่ากันงั้นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเห็นแต่บัญญัติเห็นแต่สมมุติบัญญัติพอตามองเห็นมีคนมีสัตว์แล้วนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี them, <S <s ่สวยนี่ไม่สวยอน <s> ี <ๆ S 1> ้หมานี่แมวนี่หมาขี้เลื้อนด้วยนะหมาขี้เลื้อนแถมบ้าด้วยเอ่ มีจำแนกแยกแยะได้อันนี้เรียกสมมุติบัญญัติคนทั่วไปเห็นแค่นี้เองแตนักปฏิบัติเนี่ยจะเห็นรูปนามเห็นรูปนามยังเคยมีพวกเซนเขาสอนกันนะบอกคนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้นะบอกพวกภาวนาเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาเห็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ทําไมเห็นว่าไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ต้นไม้เพราะเห็นว่ามันเป็นแค่ธาตุเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองเป็เห็นรูปนาม จะบอกพอถึงที่สุดแล้วนะเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้นะเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอันไหนเป็นสมมุติสัจจะอันไหนปรามสัจจะแล้วก็คล้อยตามสมมุติไม่ได้ไปขัดสมมุติเขานะอย่างเจอชาวบ้านญาติโยมมาญาติโยมชี้บอกไอเนี้ยภูเขาอะไรเงี้ยถ้ามีพระอรหันต์อยู่แถวนี้พระอรหันต์จะไม่เถียงหรอกไม่ใช่ภูเขาหรอกมันคือรูปนามเนี่ยไม่มีใครไปเถียงด้วยนะก็ภูเขานั่นแหละมันเป็นภูเขาโดยสมมุติเนี่ย ก็ค่อยๆฟังทำไปเดือนวันนึงเห็นอ๋อภูเขาโดยสมมุติหรอกใจของเราตั้งหากไปเรียกมันว่าภูเขาหรือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยมันเสมอภาคกันในความเป็นจริงคือมันเกิดแล้วมันดับเหมือนๆกันมันบังคับไม่ได้เหมือนกันใจเรานี่ที่ไม่เสมอภาคค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องฟังสองครั้งสามครั้งเข้าใจสติเกิดสติเกิดแล้วจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอก อดทนฟังนะ้ะไม่เก็บค่าฟังหลายคนหลายร้อยคนละที่ฟังจนสติเกิดขึ้นมาละเยอะแ ย, ยะเลยอีก4ี่หปีข้างหน้าพระริยาคงจะเยอะแ ย, ย, ยะขึ้นนะเอาเชิญโยมไปทานข้าวนะวันนี้หลวงพ่อต้องสอนเร็ ว, ว น, นิดหนึ่งนะเดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระจะไปข้างนอก